ปาจิตติโภชนาวั์สิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งเขาประวรณนาภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลด้วยขนมก็ดีด้วยสัตตุผงก็ดีเพื่อนำไปได้ตามปรารถนาภิกษุผู้ต้องการพึงรับได้เต็มสองถึงสามบาทถ้ารับยิ่งกว่านั้นเป็นปาจิตตีครั้นรับเต็มสองถึงสามบาทแล้วนำออกจากที่นั้นแล้ว พึงแบ่งปันกับภิกษุทั้งหลายนี้เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นขนมที่กล่าวถึงในสิกขาบทนี้ท่านเพ่งเอาของขันมากข้าวศัตรูนั้นท่านเพ่งเอาของเป็นสเสบียงเดินทางรับเอาของเหล่านั้นมากไปทำให้ธุระเขาเสียจึงทรงพระอนุญาตให้รับอย่างมากเพียงเต็มสามบาทออกมาจากที่นั้นแล้ว ให้บอกแก่ภิกษุอื่นแล้วแจกให้แกเธอทั้งหลายเพื่อจะได้ไม่เข้าไปอีกม่ทำตามนี้ท่านปรับเป็นทุกกฎฝ่ายภิกษุอื่นได้รับบอกแล้วเข้าไปรับบ้างท่านปรับเป็นทุกกฎเหมือนกันเพราะท่านมุ่งเฉพาะของเป็นขันมากและของเป็นสเสบียงเดินทางเท่านั้นท่านจึงแก่ว่ารับของที่ไม่ได้เตรียมไว้เพื่อธุระเช่นนั้นก็ดี รับของเหลือจากใช้ในธุระเช่นนั้นแล้วก็ดีรับของที่เตรียมไว้เพื่อธุระเช่นนั้นแต่เขาเลิกเสรยแล้วก็ดีไม่เป็นอาบัตและท่านปล่อยให้รับของญาติของคนปวารณาแล้วรับเพื่อประโยชน์ผู้อื่นได้เมื่อรับของญาติของคนปวารณาธุระของเขาย่อมจะเสียไปได้เหมือนกันแล้วรับเพื่อผู้อื่นได้นั้น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 เข้าในสิกขาบทนี้ทั้งนั้นเมื่อถือเอาความอย่างนี้ปล่อยให้รับของญาติของคนปวาวรณาได้ไม่สู้เป็นไรนักวิ น, นัยจงใกรครควนดูเถิดปาจิตติโภชนะวั์สิกขาบทที่ห้าว่า อันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามสิแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยก็ดีซึ่งของฉันก็ดีอันมิใช่เดนเป็นปาจิตติสิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาหน้าของทายกคือผู้ถวายทานอากว่าภิกษุรับนิมนต์ไปฉันในที่แห่งหนึ่งได้อาหารไม่ถูกปาก จะฉันแต่เล็กน้อยห้ามของที่เขาเอามาอังคาดนั้นเสียและจะไปฉันในที่อื่นอีกดูเหมือนทายกผู้นั้นไม่สามารถจะเลี้ยงให้อิ่มหนำทำให้เขาได้อับอายดังมีแจ้งในนิทานต้นบรรยัตินั้นแล้วเมื่อมีศิกษาบทนี้ขึ้นจะไม่สามารถทำได้อย่างนั้นคำว่าฉันเสร็จคือฉันอาหารอย่างที่เรียกว่ากินข้าว อิ่มหรือไม่อิ่มไม่เป็นประมาณเป็นแต่เลิกเสียแล้วคำว่าห้ามเสียแล้วนั้นคือห้ามโภชนะที่เขาเอามาประเคนท่านแสดงไว้ด้วยลักษณะ ด, ดังนี้กำลังฉันอาหารอยู่เป็นองค์อันหนึ่งเขาเอาโภชนะมาถวายอีกเป็นองค์อันหนึ่งเขาอยู่ในหัตถบาดเป็นองค์อันหนึ่ง เขาน้อมถวายเป็นองค์อันหนึ่งภิกษุห้ามเสียเป็นองค์อันหนึ่งพร้อมด้วยลนนักษณะนี้ชื่อว่าห้ามอาหารเสียแล้วภิกษุพูดฉันเสร็จและห้ามเสียแล้วดังนี้ในวันนั้นจะฉันอาหารได้เฉพาะของเป็นเดนของเป็นเดนนั้นจกเป็นสอง คือของภิกษุไข่ฉันเหลือเรียกว่าเดนภิกษุไข่อย่างหนึ่งของที่ภิกษุทําให้เป็นเดนอย่างหนึ่งของเป็นเดนชนิดหลังนั้นคือของที่เป็นกัปปิยะควรฉันได้ภิกษุรับประเคนแล้วฉันบ้างแล้วยังไม่ลุกจากอาสนะยกขึ้นส่งให้แก่ภิกษุผู้ห้ามอาหารแล้วในหัตถบาด คือที่ใกล้ตัวชั่วคนหนึ่งเหยียดแขนออกไปจับตัวอีกคนหนึ่งได้บอกว่าพอแล้วเพราะเป็นของแส้ทำดังนี้ท่านจึงเรียกว่าของทาวินัยกรรมดูก็สมชื่อของที่เป็นเด่นอย่างนี้น่าจะลายเห็นว่าส่งอนุญาตเพื่อภิกษุผู้ฉันได้น้อยไม่พอจะเลี้ยงร่างกาย จำจะต้องฉันบ่อยๆแต่มีเหตุที่ต้องห้ามอาหารเสียเช่นภิกษุมักอาเจียนมักอ้วกเป็นตัวอย่างภิกษุพูดชันเสร็จห้ามเส็จแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวของฉันอันมิใช่เดินอย่างใดอย่างหนึ่งขณะรับต้องถุกกฎขณะกลืนต้องปาจิตตี ท่านปรับทุกคงกลืนของอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหารไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้ปาจิตตีโพชนาวั์สิกขาบทที่หกว่าอันหนึ่งภิกษุใดนำไปปวารณาภิกษุผู้ฉันเสร็จห้ามเสร็จแล้ว ด้วยของเคี้ยวก็ดีด้วยของฉันก็ดีอันมิใช่เดนบอกว่าเอาเถิดภิษสุกเคี้ยวก็ตามฉันก็ตามรู้อยู่เพ่งจะหาโทษให้พาเธอฉันแล้วเป็นปาจิตตีอธิบายทั้งปวงเหมือนในสิกขาบทก่อนเป็นแต่อาบัตในสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะคือต้องมีความจงใจ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 ตั้งแต่เที่ยงวันแล้วจนอรุณขึ้นแต่เวลาวิการในศิขาบทที่เจ็ดแห่งรัตันธ ก, การะวัคแห่งปาจิตติยกันในพิคุณีปาติโมกในคัมภีร์พิคุณีวิพังแก้ว่าตั้งแต่อาทิตย์อัสดงแล้วจนถึงอรุณขึ้นในสิงคาโลวาทสูตรที่คันนิายปาติกวัคกกล่าวถึงการเที่ยวซอกแทก ในเวลาวิการว่าเป็นอบายมุกนั้นก็หมายความว่าเวลาคำ่ำโดยในย่านนี้เวลาวิการจึงมีแก้เป็นสองปริกับต้นคงนับเวลาว่าการกับวิการปาริกับหลังคงนับเวลาว่าปุเรพัทก่อนฉันคือเช้าชั่วเที่ยงหนึ่งปัชชาพัทที่หลังฉัน คือในระหว่างเที่ยงแล้วก่อนค่ำหนึ่งวิกาลคือค่ำหนึ่งเวลาวิกาลในสิกขาบทนี้รับรองกันทั่วไปแล้วว่าตั้งแต่เที่ยงวันแล้วจนอรุณขึ้นอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอาจิตตกะคือต้องอาบัตแม้ไม่จงใจกระทำในเวลาวิกาล ภิกษุขเข้าใจว่ายัางเป็นการหรือสงสัยฉันอาหารคงไม่พ้นปาจิตติกาลิกอื่นไม่นับเข้าในสิกขาบทนี้ฉันได้ตามกำหนดพระพุทธานุญาตคำว่ากาลิกแปลว่าเนื่องด้วยการขึ้นกับการและหมายถึงของอันจะกลืนกินให้ล่วงลำคอเข้าไป ซึ่งปราวินัยบัญญัติให้ภิกษุรับเก็บไว้และฉันได้ภายในเวลาที่กำหนดจำแนกเป็นสี่อย่างคือหนึ่งยาวกาลิกรับประเคียนไว้และฉันได้ช่วเวลาเช้าถึงเที่ยงของวันนั้นเช่นข้าวปลาเนื้อผักผลไม้ขนมต่างๆ 2. อยามกาลิกรับประเคียนไว้และฉันได้ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่ได้แก่ปานะคือน้ำข้นผลไม้ที่ทรงอนุญาต 3. ส, สัตตาหากาลิกรับประเค้นไว้แล้วฉันได้ภายในเวลาเจ็ดวันได้แก่เพศสัตว์ทั้งห้ายาวาชีวิกรับประเค้นแล้วฉันได้ตลอดไปไม่จำกัดเวลา ได้แก่ของที่ใช้ปรุงเป็นยานอกจากกาลิกสข้อต้นซึ่งความจริงยาวาชีวิกไม่เป็นกาลิกแต่นับเข้าด้วยโดยปริยายเพราะเป็นของเกี่ยวเนื่องกันปาจิตติโพชนะวสิกขาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุดใด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 ฉันของนั้นเป็นปาจิตติท่านปรับทุกคำกลืนอาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตตกะเหมือนกันคือแม้ไม่จงใจกระทําก็ต้องอาบัติปาจิตติโภชนาวัร์สิกขาบทที่9ก้าว่าอันหนึ่งภิกษุดใดไม่ใช่ผู้อาพาธ ขอโภชนะอันปราณนีตเห็นปลานี้เช่นเหนื่อยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึงน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมส้มเพื่อประโยชน์แก่ตนและฉันเป็นปลาจิตติในของที่ระบุว่าเป็นโภชนะอันปราณนีตนั้นเป็นโภชนะอยู่ในตัวก็มีคือปลาเนื้อนมสดนมส้มที่เหลืออีกห้าอย่าง เป็นเภศัช ก, ก็ได้ในที่นี้พึงเข้าใจว่าเพ่งถึงของเหล่านี้ที่ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธนั้นคือเว้นโพชนะอันตรนีเสียก็ยังมีผาสุกอยู่ได้อาบัตในสิกขาบทนี้เป็นอจิตกะกเหมือนกันคือแม้ไม่มีความจงใจก็ต้องอาบัต ภิกษุผู้อาพาธเว้นของเหล่านี้เสียไม่มีพาสุขขอเข้าฉันได้เมื่อภิกษุผู้อาพาธขอมาเพื่อประโยชน์ตนภิกษุผู้ไม่ใช่อาพาธพลอยฉันด้วยก็ได้ภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธขอต่อยาตหรือต่อคนปาวรณาเพื่อประโยชน์ตนเองขอต่อคนอื่น เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุอาพาธได้ทั้งนั้นไม่เป็นอาบัติจ่ายเอาด้วยทรัพย์ของตนไม่มีปัญหาปาจิตตีโภชนาวัตรสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดกลืนอาหารที่เขายัางไม่ได้ให้ล่วงช่องปาก เว้นไว้แต่ น, น้ำและไม้ชําราฟันเป็นปาชิตตีอาหารนั้นในที่อื่นหมายเอาของที่เป็นยาวกาลิกคือรับประเคนไว้และฉันได้ช่วยเวลาเช้าถึงเที่ยงของวันนั้นเช่เาชาเข น, น, นชข้าวปลาเนื้อผักผลไม้ขนมต่างๆแต่ในที่นี้มียกเว้นแต่ น, น้ำและไม้ชมาราฟันจึงหมายเอาของที่จะพึงกลื่นกินทั่วไป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 ของที่จะพึงประเคนนั้นไม่ใหญ่โตรหรือหนักเกินไปพอคนปานกลางยกได้คนเดียวเป็นองค์อันหนึ่งผู้ประเคนเข้ามาอยู่ในหัตถบาตเป็นองค์อันหนึ่งเขาน้อมเข้ามาเป็นองค์อันหนึ่งกิริยาที่น้อมเข้ามาให้นั้นด้วยกายก็ดีด้วยของนึ่งด้วยกายก็ดีด้วยโยนให้ก็ดี เป็นองค์อันหนึ่งภิกษุรับด้วยกายก็ได้ด้วยของเนื่องด้วยกายก็ได้เป็นองค์อันหนึ่งการให้และการรับต้องตามลักษณะนี้เว้นแต่โยนให้ย่อมเป็นไปโดยเคารพในการและการทั้งสองฝ่ายเป็นกิริยางามแต่โยนให้นั้นท่านจะหมายความอย่างไรไม่รู้ บางทีจะเป็นอาการให้ที่ใช้ให้ของเล็กน้อยแก่คนมากมายไม่ถือว่าเป็นการเสียกิริยากระมังตามลนานักษณะนี้บินทบา ท, ทิทายกตักด้วยทัพีถวายซึ่งนับว่าให้ด้วยของเนื่องด้วยกายและภิกษุรับด้วยบาทซึ่งนับว่ารับด้วยของเนื่องด้วยกายเหมือนกันชื่อว่าประเคนแล้ว ของที่สตรีถวายและภิกษุรับด้วยผ้าก็เหมือนกันเว้นแต่ห่างเกินงามที่จัดว่านอกหัฏบาทคือนอกระยะที่เหยียดแขนออกไปถึงอาบัตในศิกขาบทนี้เป็นอาจิตตะกะเหมือนกันคือแม้ไม่จงใจทำก็ต้องอาบัตภิกษุบวชใหม่เผลอชั้นของที่ไม่ได้รับประเคนคงไม่พ้นจากปาจิตตี พระพุท ธ, ธานุญาตเฉพาะอาพาธในที่อื่นว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นงูกัดกับปิยากาโรกไม่มีถือเอายามหาวิกัดสี่อย่างคือมูดคูดเท่าดินฉันได้ไม่เป็นอาบัตในอัตถกาถาจารกล่าวว่าภิกษุจะตัดไม้เผาทำเท่าหรือจะขุดปัตตพีเพื่อจะเอาดินก็ได้ ไม่เป็นอาบัาติปาจิตติเพราะโทษตัดไม้ละขุดดินกัปียาการกผู้ทำของที่สมควรแก่สมณนะหรือผู้ทำหน้าที่จัดของที่สมควรแก่ภิกษุบริโภคหรือผู้ปฏิบัติภิกษุหรือลูกศิษย์พระซึ่งจะเป็นบุคคลที่จะทำหน้าที่ประเคนเพื่อให้ถูกต้องตามวินยัยและไม่ต้องอาบัต